หลวงปู่วันเดินปีเกิดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนลุนพอเชื่อได้ว่าคงอยู่ราวเดิมก็คือลุนวัน 2379 ที่บ้านจิตซึ่ง ต่อมาบิดามารดาได้อพยพครอบครัว หรือหลวงปู่โทนแห่งวัดบุรพาบ้านสะพืออำเภอตระการพืชผลจังหวัดนนราชธานีโดยสรุป และให้ศึกษาเล่าเรียนอักษรสมัยทั้งอักษรขอมและอักษรธรรมพระธรรมวินัยการ ซึ่งหลวงว่ามีวัดปฏิบัติแตกต่างกันโทนก็ได้สืบทอด ถ้าเจ้าก็ออกไปอยู่ป่าเสียภาวนาอย่างเดียวเจ้าก็ออกไปอยู่ว่าไปอยู่วัดใด 20 ปีจึงได้ คาถาอาคมเวทมนต์ตำรายาและอิทธิฤทธิ์พอเห็นเดินอากาศได้มีคนเคารพ บางครั้งไม่ฉันเข้าเป็นเดือนก็อยู่ได้นั่งอาบน้ําถังเดียวตั้ง ก็ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามเสมอตั้งใจฟังและปฏิบัติตามเสมอจน ออกทุดงไปตามปากเขาตรดงไปตามปากเขาเมื่ออายุพรรษาเช่นเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่รับสน บางครั้งก็มีคนเห็นท่านเดินข้ามแม่ ซึ่งในตอนนั้นยังดำรงสมณศักดิ์ชั้นพระครูท่านได้ ริมน้ําหน้าวัดแล้วสิ่งที่สามเณร หลวงปู่รุ่นได้จาริกทุรดปฏิบัติสมณธรรมแสวงหาความรู้ด้านๆดังกล่าวตามป่าเขาแนวฝั่งแม่น้ําคงทั้ง ไม่รับเงินรับทองไม่สะสมทรัพย์สมบัติและ วันหนึ่งมีผู้รู้จักสำนักต่างๆมาทดแล้วคละรวมกันในห้อง 1 เครือแล้วให้ ไม่มีใครทําได้นอกจากสําเร็จหลุนองค์เดียว จึงมีหนังสือถึง 9 เมืองนครจัมปาสักให้หลอมรวมเป็นพระ เป็นที่เคารพศรัทธาของท่านจึงรับปากช่วยบ้านและปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมมาสโดย พระมหากัมพาเป็นผู้ตอบซึ่งมีการซักถามกันดัง 5 พระองค์จากนั้นสมฤทธิ์ 6 พระองค์ มีห้าพระองค์แน่นอน 5 พระองค์แน่นอนกล่าวคือกกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตโมและศรีอริยเมตไตรโยหลวงปู่สมเร็จ พระจากนั้นใช่เอ้าทําไมพูดเช่นนั้นไม่ใช่ข้าน้อยแน่หลวงปู่ ใครๆก็และแต่ต้องบูชาต่างก็กราบไหว้ไม่กล้าแม้เข้าใกล้และแต่ๆขอให้ได้ สำเร็จลุนหันไปถามพระสงฆ์และชาวบ้านที่สําเร็จตําแหน่ง หรือยาสําเร็จเป็นสมณศักดิ์ที่ชาวบ้านหรือชาวเมืองมอบถวายพระสงฆ์หลัง หลวงปู่ลุนคณะจำวันษาที่วัดวุ่นสายบ้านวุ่นสาย ทันได้มรณภาพแล้วพร้อมทั้งสั่งว่า 2534 ไม้เท้า หลังจากหลวงปู่โทนอุปสมบทได้ 3 พรรษา 2463 ที่วัดววนไซเมืองโพนทอง 84 ปี 64 พรรษาสมเด็จหลุนหรือหลวงปู่เลื่อม ปฏิปทาส่วนหนึ่งของท่านเป็นไปในแนวเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเจ้าป่า ผสมผสานกับความเชื่อในหลักศาสนาคือพราหมณ์ๆที่ได้ฝึก ฝึกฝนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตามจริตความสามารถของแต่ละคนโดยมีจุดมุ่งหมายพระวิปัสสนาจารย์พระวิปัสสนาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มีภูมิ